ตามมาเบื้องหลังอยู่นั่นเองเราวกับเกียรตนาจะเฝ้ารอดูมรณการของมนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตที่เดินทางซุมซานกันไปท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยวกันดานของโลกนอกสำรวจสถานการณ์ที่เข้าขีดคับขันเช่นนี้นายจ้างทุกคนเริ่มจะรู้สึกได้เป็นอย่างดีเมื่อเห็นกระพินไพรวันเริ่มแยกออกจากขบวนเดินหายเข้าไปริมทาง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 จนกระทั่งต่างเริ่มกังวลและเป็นห่วงและทันทีนั้นระหว่างที่ผ่านกันในเส้นทางแคบๆในซอกหินสลับไม้พันแคกปัสก็เห็นครานใหญ่โผล่เงียบๆออกมาริมทางเข้าสมทบกลางขบวนตรงกลุ่มที่นายจ้างทั้งสี่กำลังเดินกันอยู่ใบหน้าอันแลกระด้างปานก้อนหินในขณะนี้ยิ่งเครียดขรึมเป็นยังไงผู้กองพอจะหาสะเสบียงด้วยน้ําได้ไหม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 เรื่องอาหารนะรองลงไปผิดนักก็ลองอดกันดูสักมื้อสองมือ้อแลวนี่เราไม่มีจะกินกันมั่งจะกระไรนักเจะสำคัญที่สุดก็คือน้ำนะก่อนข้ำวันนี้ถ้าไม่พบน้ำจะตาของเราทุกคนจะถึงขั้นวิกฤตท่านหัวหน้าคณะกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไม่เคร่งเครียดจริงจังอะไรนะักกลัวไปกระอาการหัวเราะตลอดเวลาตอนนี้เราไม่ได้ผจนกับอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายและภัยวัน แตเรากำลังเผชิญหน้ากับภัยจากธรรมชาติอันแสนจา ก, กันดานเกี่ยวกับความอุดอยากขาดอาหารมาริย์บอกเสียงพึมพร ม, มาอีกคนหนึ่งดวงตาสีเขียวอันแห้งผากนั้นกวาดไปรอบๆยอมพรานยังคงเดินเคียงคณะใบเงียบๆเหวี่ยงไรเฟินขึ้นสะพายไหลลักษณะของมันแห่งแรงเหลือเกินนะนายผู้กองชยันเปรยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง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 ไม่มีวี่แววของความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียใดยๆทั้งสิน้นขยินหับหลังแง่ายหักหน้า ในตอนกลางคืนหนาวจัดมากอย่างที่เราพบกันมาแล้วละอองหมอกและน้ำค้างจะ ก, กลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะ อ, อยู่ตามก้อนหินทั่วไปบางทีเป็นเกรดน้าแข็งร้อยถึงตอนกลางคืนเราอาจจะพอหาน้ำมาประทะประทังกันตายได้ดารินอดหัวเราะ อ, ออกมาไม่ได้มองหน้าแล้วถามว่านี่ไม่แปลว่าเราต้องกลายเป็นลางโงเหมือนในนิทานของอศพบร่ะมะัเที่ยวได้เลียน้าค้างตามใบไม้ใบหญ้า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 หล่อนจึงยื่นคืนไปให้เจ้าของคุณหญิงเก็บไว้เถอะครับส่งกระติกเป่าของคุณหญิงมาให้ผมก็แล้วกัจะได้ไม่เกะกะเอากระติกของผมติดตัวไปแทนนะครับแหมออกจะเป็นการเสียสะละที่มากเกินไปละมั้งนายพรานคุณเก็บไว้ดีกว่าเอาอาชันหิวนา้าทนไม่ไหวก็ค่อยขอคุณดีกว่านะคุณหญิงครับมันไม่เรีย ก, กว่าเป็นการเสียสะละอะไรสักนิดนะ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 เป็นยังไงบ้างครับคุณชายเราเดินกันในช่วงหลังนี่เกือบชั่วโมงเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะพักหรือยังครับผมจะได้สั่งให้พวกนั้นหยุดยังก่อนพ่ะพินยิ่งเดินไปผมก็ยิ่งรู้สึกว่ากาลังขาอยู่ตัวเป็นลําดับนะเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าทนไม่ไหวผมก็จะบอกเองว่าแต่คุณน่ะสอบเส้นทางเดินของเราหรือเปล่าเจ้าเฮซายมันพาเราไปทางไหนมีอะไรผิดปกติปะ่ะไปหยุหลัง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 หมายความว่าไงอดีตพญญามัของดรฮอฟมันยักไหล่นิดนึงยิ้มแข่งๆมันจะเป็นไปได้ไหมในกรณีที่คุณบังคับให้งแง่รายนําทางพระรู้ทันอยู่ว่างแง่ายรู้เส้นทางระยะนี้ดีขังแง่ทายก็ถือว่าเมื่อคุณให้เขาเป็นผู้นําเขาก็จะนําไปตามคําสั่งอันบีบบังคับนั้นโดยไม่คํานึงถึงพวกเราอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อประชด์ขอคุณคือนํามาในเส้นทางที่กันดารแห่งแล้งที่สุด ชนิดที่หาอาหารและน้ำไม่ได้และต่อไปเมื่อเกิดการซักถามสอบสวนก็จะโทษกันเองไปมาระหว่างคุณกับเขาโดยเขาก็บอกว่าคุณเป็นคนสั่งให้เขานำมาเองซึ่งช่วยไม่ได้ขอทายไว้เช่นนี้แลอพินงันไปครู่มาเรียมีเหตุผลในคำพูดนั้นชนิดที่เขาจะต้องคิดอยู่เหมือนกันและเชตฐาชา ย, ยันดารินก็พลอยมองเห็นความจริงขึ้นมา ไม่มีเหตุผลอะไรที่แงซายจะทำเช่นนั้นนะครับในเมืม่อมันเองก็ต้องการให้การเดินทางนี้สำเร็จที่ผลนั่นหมายถึงให้คณะทุกคนไปถึงเทือกเขาพระศิวะชยันพิมพรรำอย่างแข็งใจฉันก็พอจะมองเห็นอะไรได้เราๆอย่างที่เมพูดนี่แล้วนะดารินสอดขึ้นโดยเร็วแงซายนะอาจใช้วิธีเดิมๆของเขาคือถือเถ็นตรงในการนาทางตามคาสั่ง เมื่อคุณให้เขานำเขาก็รับผิดชอบการนำไปให้ตรงกับจุดหมายที่ต้องการมากที่สุดเท่านั้นแต่โยนความรับผิดชอบอย่างอื่นมาให้เป็นหน้าที่ของคุณเป็นต้นว่าขณะ น, นี้น้ําเป็นปัญหาสําคัญของเราถัดไปก็อาหารเมื่อเกิดเดือดร้อนขึ้นมันก็มีพ้นคุณอยู่วันยังค่ำที่จะต้องแก้ไขและรับหน้าหนักเงยสายอาจถืว่าเขาเองมีความอดทนที่จะบุกบั่นฟันฝ่าไปได้และอดทนได้มากกว่าพวกเรา พวกเราในที่นี้นะ่ะฉันหมายถึงพวกฉันอันเป็นฝ่ายนายจ้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ขับขันอย่างนี้ขึ้นพวกเราก็ต้องถือว่าเป็นความบกพร่องของคุณน่ะแหละที่ปล่อยให้แงซ า, ายนำทางนี่ฉันขอเตือนนะคุณรู้สึกไว้ล่วงหน้าก่อนที่คุณจะต้องไปทะเลาะ ก, กับแงซ า, ายทีหลังอีกสงสัยนะสงสัยไอเสือะจะลองดีคุณอีกแล้วละรพินนี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่มอมราชวงศ์หญิงดารินวรารฤทธิ เ่าวเตือนเขาอย่างเข้าใจและเห็นใจในเหตุการณ์ทะลุปลุกปรงระหว่างที่จอมพลานยังนิ่งอยู่หล่อนก็ถามอีกว่าคุณเห็นด้วยตามที่ฉันพูดนี่ไหมก็พรานใหญ่หัวรอฮือฮือแล้วคุณหญิงใจผมทำยังไงคุณไม่น่าจะอับจนกระ เ, ล, ะเลี่ยมชนิดที่คุณก็เท่าทันอยู่ตลอดเวลาของแง่้ายเลยนี่มันยังไม่สายเกินไปนัก ถึงยังไงแงายก็ไม่มีวันเหนือคุณไปได้หรอกเอาละครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการกับมันีองรบพินพยักหน้าแล้วออกเร่งฝีเท้าตัดขบวนกวดไล่แงายขึ้นไปโดยเร็วเสียงดารินร้องเตือนมาว่าโดยวิธีที่นิ่มนวลที่สุดนะคุณอย่าให้เกิดการหัวเสียหรือทะเลาะอะไรกันอีกล่ะคุณโกงแงายครั้งไหนก็ขอให้รู้ทีว่าคุณเสียท่ามันครั้งนั้น จอมพราน ย, ยิ้มออกมากับตนเองเดี๋ยวนี้เขาตรหนักแน่แล้วว่าแม่ดอกฟ้าของเขาช่างฉลาดรอบครอบนักและมองเห็นอะไรได้ในแง่มุมที่ลึกซึ้งเหนือขึ้นไปกว่านั้นที่เป็นความชื่นใจอยู่เงียบเงียบภายในคนเดียวขณะนี้ก็คือหล่อนช่างแสนดีและเข้าใจเขาอย่างถ่องแท้ไม่เป็นฝ่ายตรงข้ามเอาแต่จะแกล้งทาให้ปวดหูใจเหมือนสมัยก่อน ความรู้สึกชนิดนี้ช่วยให้เขาบังเกิดอารมณ์ดีและเยือกเย็นขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่องแง่ทายผู้นำของเดินผู้หาบของเดินนำเท่งเทิงร้องเพลงอย่างสบายอารมณ์ไปคนเดียวเราก็ว่าโลกทั้งโลกจะเป็นของมันอย่างนี้หันมาเห็นผู้ที่เร่งฝีเท้าขมัดเคียงคู่อยู่ใ ก, กล้ใกลจึงพบกระสายตาคู่ที่มักจะมองมาอย่างกล้าเฉียบตลอดเวลานั้นแต่สจัลแวลดูดันหงุดหงิดใดๆทั้งสิ้น ตรงข้ามกรอบห็นแววขบขันเจ้าคนพเนจรยิงฟันยิ้มให้หน้าใบกระไรฉะนั้นในความรู้สึกของรับพินแต่เขาชาชินใช่ละประกอบกับที่อารมณ์ไม่คุนนี่ขี่ฟันหมาสักสองนิว้วอยะหมั่นแยกขี้อวดฟันกันอยู่นักเลยว่าเงาสายราะแตาไต้หาอยู่แล้วเขาพูดหน้าตาเฉยเงาสายสะดุ้งโยงรีบผุบปากลงทันที ทนตาเลยบอกไอ้อยว่าแม่งแงสายไม่มีขี้ฟันสักหน่อยผู้กองเอาราคคอยขัดทุกวันน่ะนาหญิงยังชมว่าแงาสายฟันสวยเลยนี่รู้สึกว่าวันนี้ก็จะคึกคลื้นรื่นเริงใจมากไปหน่อยนะหัวเราะหรือ ร, ร้องไห้เปลี่ย น, ปยนแปลงอนาคตที่จะมาถึงไม่ได้หรอกพระธุดงท่านสอนผมว้ายผู้กองอืมแบกยาดีเหมือนกัน แต่ฟังไม่เคยเขาท่านักว่ะมาตานี่แน่เจ้าหมายจิ้งจอกผู้แสงจะซื่อสัตว์น่ารักบอกหน่อยสิว่าแกกำลังจะนำพวกเราไปไหนแงสายแย้มริมฝีปากกว้างออกไปอีกถูกลนะ้ฟันของมันสวยจริงๆขาวเรียบได้ระเบียบเป็นเงาดัดกับผิวหน้าสีทองแดงทำให้ใบหน้านั้นแลดูสดใสราวกับทารกผู้บริสุทธิ์ก็ทะเลสาบมรณะไง แต่เอ๊ะนั่นไม่ใช่คําสั่งของผู้กองหรอกเลยครับแล้วใบหน้านั้นก็แสดงอาการชะงนกึ่งงงอย่างสีแซงประหลาดใจในคําถามของเขานี่ใช่ฉันสั่งให้แก น, นําไปที่นั่นแล้วผมก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามคําสั่งอยู่แล้วยังไงเอาลข้าประเด็นละแง่ท า, ายแค่ไม่จะตอบฉันได้หรื อ, อยังว่าแกรู้เส้นทางได้ยังไง คำถามนั้นออกจะจู่โจมกระพันหันจนอีกฝ่ายแทบระตั้งตัวไม่ติดและหาคําตอบไม่ได้ในฉับพลันเพราะคาดไม่ถึงมาก่อนว่าตนเองจ ะ, ะเผชิญกับคําถามเช่นนี้ในขณะที่แงสายอึ้งระพิงจ้องหน้าขมิง้งเหมือนจะล้วงเข้าไปให้ถึงส่วนที่ลึกล้ําอันซ่อนงําไว้คันแล้พิรุธเงื่อนงําทั้งมวลก็ถูกเกลื่อนด้วยรอยยิ้มเช่นเดิมยิ้มซึ่งระพิน์ไพรวันอยากจะขนานนามว่า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 ตลอดทั้งครึ่งวันที่ก็เดินนำมาอย่างแคล่วคล่องโดยไม่มีการต้องชั่งใจลังเลอะไรเลยจนนิดเดียวนี่แกยึดถือหลักอะไรในการเลือกเส้นทางสัญชาตญาณครับนั่นไม่ใช่คำตอบที่มีเหตุผลหรอกนะแง่ใส่แกอย่าพยายามปิดบงังเค่เลยแกก็รู้ดีอยู่แล้วนี่วาฉันเท่าทันแกทุกขณะบอกมาตามตรงดีกว่า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 ฉันต้องการคำอธิบายที่ตรงไปตรงมากว่านี้นะแล้วก็ให้ตายหาด้วยฉันรำคาญในฝีปากตีคารมลอยเล่ของแกมานานแลวนะกระสัมแดงให้ฉันเห็นมานานพอสมควรทีเดียวในความเป็นนักพูดนักจิตวิทยาและนักปรัารวมทั้งการเป็นคนที่มากไปด้วยเพทุบายผมจะพูดให้ตรงและเข้าใจง่ายกว่านี้ก็ได้ครับผู้กอแต่ถ้าเพียงผมเริ่มต้นประโยคแรก ผู้กองก็จะดักคอผมถูกทันทีแล้วทุระอะไรที่ผมจะพูดบางทีมันอาจเป็นการเยื่อโทรศัผู้กองซสด้วยซ้ำรู้ล่ะพระธุดงองค์ที่ท่านเลี้ยงผมมาแกจะเริ่มต้นแบบนี้อีกละสิครับนั่นคือความจริงที่สุดครับนี่เจ้าแง่ทายท่านนายทหารก็อยู่ใกล้แกขนาดนี้ ทันทีที่เขาได้ยินน่ะเขาอาจเปกแกทันทีนะแต่เอาเถอะสหแบบฉันมัไม่ถือกงหรอกอ่ะไหนลองว่าเรื่องราวต่อไปให้ตลอดสิพระธุดงค์ท่านนั้นท่านมรณภาพไปแล้วก็จริงนะครับผู้กองแต่ผู้กองเชื่อหรือไม่ครับท่านเป็นอรหันต์องค์หนึ่งและขึ้นชื่อว่าอารหรันต์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 ว่าศาสตรส่วนรับรู้ของผมสัมผัสล่วงหน้ามาก่อนแล้วทั้งสิ้นทั้งทงที่ตัวจริงของผมก็ไม่เคยผ่านมาก่อนและนี่คือความจริงที่ผมจะให้แกผู้กองได้นอกเหนือไปจากนั้นไม่มีครับอืมมหาศิจันมากแง่ทรายที่แกพยายามจะให้ฉันยอมรับรู้และเข้าใจในฌานพิเศษของแกบางทีก็ทำาท้ายกับว่าแกเป็นผู้วิเศษนั้นแะ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 ผมไม่ได้มีอิทธิอำนาจในการที่จะสร้างพลังงานพิเศษส่วนนี้ให้เกิดขึ้นโดยตัวเองนะครับหากแต่มีสิ่งลึกลับคอยกระตุน้นบงการผมอยู่แล้วก็ไม่แน่นอนเสมอไปนักบางขณะมันก็บูบวาบขึ้นมาในความคิดของผมเฉยๆบางขณะก็ผ่านเข้ามาในภาพฝันและบางขณะก็ไม่ปรากฏขึ้นเลย แล้วเจ้ากระเรียงรูปงามก็หันมาเผชิญสายตาเขาผมไม่กล้ารับรองกับผู้กองเหมือนกันครับว่าผมจะนําไปถูกทางหรือไม่เมื่อผู้กองออกคําสั่งให้ผมนําผมก็จําเป็นต้องปฏิบัติตามคําสั่งนี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แลื่เมื่อผู้กองถามว่าผมเอาอะไรเป็นเครื่องนําทางผมก็ได้เรียนให้ทราบแล้วตามตรงอย่างเมื่อครู่นี้มันจะเป็นเส้นทางที่ผิดหรือถูกอนาคตจะบอกเราเอง เดถ้าแม้ว่าผมนำไปผิดเส้นทางทั้งๆ ท, ที่เจตนาของผมก็ต้องการจะไปให้ถูกต้องที่สุดนผู้กองก็คงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผมไม่ใช่เหรอครับประโยคอัชาชานฉาดๆเต็มไปด้วยเหตุผลนั้นปิดช่องทางทุกด้านไม่ให้รพิน์ไพรวันแกลาแยงใดๆ ไ, ได้ทั้งสิ้นภายหลังจากพยายามใช้หลักของการสอบสวนตอนแงซายไปสู่มุมอับเพื่อเข้นให้สารภาพความจริงอะไรออกมา มันก็อาจเป็นไปได้ในข้อที่ว่าง่สายได้พูดความจริงออกมาแล้วในสิ่งที่เขาเกิดปัญหาพิษสวงอยู่นี้เพียงแต่ว่าเขาญากที่จะยอมรับฟังได้สนิทหูเท่านั้นแง่สายบอกได้ไหมหนทางที่เราจะเดินต่อไปนี่มันจะมีสภาพยังไงและเราจะไปถึงทะเลสาบมรณนะเมื่อไหร่ผมบอกไม่ได้ละเอียดนักนะครับพ ก, กอง แต่ละก้าวที่ผมเดินไปภูมิประเทศที่แลไปเห็นแต่ละภาพมันจะค่อยๆช่วยความคิดของผมขึ้นตามลำดับคล้ายๆแสงสว่างที่ส่องทางให้เห็นไปเป็นระยะๆะะแต่ในความรู้สึกรางๆของผมเราจะต้องบุกบันตัดไฟในป่าหินอันแสนสงบและเปล่าเปลี่ยวประดุดโลกร่างนี้โดยตลอดเป็นป่าหินล้วนยากที่จะแลเห็นพืช พ, พันธุ์ใดๆขึ้นนอกจากหินหินและหิน ในสันดับค่ำนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะต้องพักแรมกันอยู่ยังบริเวณใดบริเวณหนึ่งของทะเลก้อนหินเบื้องหน้านี่แหละครับอาจจะหนาวเย็นทรมานกันยิ่งกว่าเมื่อคืนที่แล้วอาจหิ้วโหยเพราะขาดอาหารแล้วถ้าชีวิตของเราผ่านพ้นราตรีไปได้รุ่งขึ้นเราจะสมซานกันต่อไปในทะเลก้อนหินอันเทบหาขอบเขตสิ้นสุดมีได้นั้นเพื่อมุ่งเข้าหาช่องเขาขาดแห่งหนึ่ง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 เราจะเดินถึงทะเลสาบแห่งความตายนั้นก่อนค่ำวันพรุ่งนี้หรือไม่แต่ก็อยากจะเชื่อนะครับว่าเราจะต้องเลเห็นช่องเขาขาดในตอนบ่ายแน่ๆถ้าแผ่นภาพความคิดฝันหรือสังหรณ์ของผมไม่หลอกลวงถ้างนั้นแกก็รับรู้แลวสินะว่าน้ำกับอาหารกำลังเป็นปัญหาสำหรับเราทั้งหมดเขาเปรย์ อ, อย่างเสียงไงสายเหลือบมองตาแวบหนึ่ง และมินหลบไปด้ยวยเร็วเราทุกคนรับรู้เหตุการณ์กันไว้ก่อนแล้วไม่ใช่เหรอครับในข้อที่ว่าบางทีเราก็ต้องอดเหมือนกันนี่แกจะปัดหน้าที่ความรับผิดชอบในข้อนี้เหรอทั้งๆที่แกเป็นคนนำทางมาตลอดระยะนี่เราอาจเลือกได้สองทางนะครับผู้กอง เงยสายกล่าวเช่อมช้าเบนออกจากเส้นทางที่ควรจะไปเช่นที่เรากําลังเดินกันอยู่ขณะ น, นี้เลี่ยงเข้าหาแหล่งอุดมสมบูรณ์เพื่อหวังสเบียรแต่จะเสียเวลาล่าช้าออกไปเท่าไหร่ไม่ทราบได้หรือว่าจะอดทนตัดผ่านบริเวณแห้งแล้งกันดานที่สุดนี้ไปจนถึงจุดหมายข้างหน้าโดยสมนเวลาได้แต่ขณะนี้เราก็ล่วงล้าเข้ามาในเขตนี้ลึกพอสมควรแล้ว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 แกก็รู้อยู่แล้วนี่งแงซายว่าเราจะถอยกลับหรือทำเวลาให้ล่าช้าออกไปอีกไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องสเสบียงให้ตกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเราจะต้องหาน้ำให้ได้ก่อนค่มวันนี้แลวจะต้องสารองไว้สาหรับพรุ่งนี้อีกวันเต็มเมเรื่องอาหารนะยังเป็นรองลงไป จ, จอมพเนจรยิ้มออกมาได้อีกครั้งยัางยากจะตีความหมาย เอ่ยขึ้นลอยๆว่าแถบนี้ไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีฟืนก่อไฟมีแต่หินทรายแล้วก็อากาศครับแงทรา ย, ายคิดให้ดีๆนะลำพังตัวแกเองคนเดียวนะ่ะแม้ว่าแกะจะไปได้ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพมันก็ไม่ช่วยเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทั้งสิน้นถ้าหากคนอื่นๆในคณะของเราไม่สามารถตามแกไปด้วยได้ถ้าลาพังแกกับฉันเพียงสองคนแล้วก็บัญหามันจะไม่เกิดขึ้นหรอก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 ในเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาอะไรขึ้นสิครับในคณะของเร า, น, า น, รนีไม่ได้มีแต่แพนใหญ่ระพินไม่ได้มีแต่ไอ้คนลึกลับแง่ทายแต่เรายังมีบุคคลชั้นสามารถอีกไม่น้อยกว่าสามคนนะครับลุงคำส่างตาแล้วก็ขยิ่งผู้กองลืมคนเหล่านี้ไปเสแล้วหรยอครับจอมพานพยักหน้าลงอย่างเห็นด้วยแกผู้ถูกแง่ทาย บางทีอาจเป็นเพราะชั้นโมแต่จ้องจับผิดแกอยู่คนเดียวจะลืมนึกถึงสิ่งต่างๆก็ได้เอาล่ะเราเห็นจะต้องช่วยกันคิดร่วมหารือล่ะขาดเสียงพูดของเขาก็มีเสียงกูเรียกมาจากเบื้องหลังพอเลียวกลับไปก็เห็นขบวนทั้งหมดหยุดพักรวมกลุ่มกันอยู่ในเงาหินตอนหนึ่งชายยันกลับมาเรียโบกมือเรียกมา ระพินสั่งให้แง่ทายและขยิ่งหยุดเดินแล้วย้อนกลับไปรวมกลุ่มที่พักอยู่โดยเร็วด้วยความร้อนใจเพราะเดาไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงบริเวณที่พวกนั้นปลดหาบหลบเงาร่มก็เห็นเชิดาลงนั่งเหยียดขายาวอยู่กับพื้นใบหน้าอิดโรยขาวซีดมีน้องสาวสุดคุกเข่าอยู่ใกล้ๆหยุดพักให้พี่ใหญ่สักครู่เถอะระพินดารินบอกมาด้วยน้ำเสียงแฝงแววกังวล พรานใหญ่หน้าตื่นตรงเข้ามาที่ก้านหัวหน้ า, นาคณะเกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณชายเชิดาฝืนยิ้มเอามือทั้งสองจับนวดบีบขาตัวเองลอบมาด้วยเสียงที่พยายามให้เป็นปกติที่สุดว่าเปล่าหรอกผู้กองก็ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกเพียงแค่มันปวดปวดขึ้นเท่านั้นอ่ะขอพักสักประเดียเด๋ยวเะดี๋ยวคงเดินต่อไปได้แล้วเขาก็หันไปมองทางแง่ทรายปากก็ถามตัพินต่อไปว่า เป็นไงผู้กองหาฤกษ์กันเงยทรายดูแล้วหรื อ, อยังอ่ะว่าเรามีทางจะหาน้ําได้บ้างไหมก่อนค่ําเนี้ยก็กําลังปรึกษากันอยู่ละครับเงยทรายยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้น้ําหรือสเสบียงจากไหนในเส้นทางเดินข้างหน้าเพราะภูมิประเทศมันกันดานหรหนือเกินชื่อว่ามันคงไม่เหลือบากว่าแรงนักนะถ้าคุณกัเงยทรายหันหน้าเข้าหากันอย่างปลองดองโดยไม่มีใครถือเหลี่ยมคุมเชิงกันอยู่ดารินว่า แล้วหล่อนก็หันไปพยักหน้าเรียกแง่ทรายผู้ปลดหาดลงจากบ่ายืนเช็ดเหงื่ออยู่เข้ามาใกล้บอกด้วยเสียงเครึ้มเป็นงานเป็นการว่าแง่ทรายพวกเราต้องได้น้ำสำหรับดื่มก่อนค่ำวันนี้เธอมุ่งแต่เฉพาะการนำทางตามคำสั่งเถ๋นรงอย่างเดียวไม่ได้นะเราจะต้องรับผิดชอบในสวัสดิภาพของคณะพวกเราทั้งหมดด้วยเข้าใจไหมเจ้าองครักพิเศษ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 อยากกระ่อนหรือสำแดงลวดลายอะไรอีกนะเธอก็เห็นอยู่แล้วว่านายใหญ่นะะัาเจ็บไม่สมประกอบนี่ทั้งคนก่อนที่จะคิดลองดีอะไรกับผู้กองนะ่ะขอให้นึกถึงานายใหญ่บ้างแง่อาสาหน้าจือเจือนลองไปเล็กน้อยก้มศรีรษะให้อีกครั้งเสียงพูดของนายหญิงจริงจังเฉียบขาดนักแล้วมองมาตาเขม่งนายหญิงครับผมไม่เคยคิดจะลองดีอะไรกับผู้กองเลยนะครับเป็นความสัตย์จริงครับ จอมพเนจรกล่าวเสียงเบาเป็นไิอาการสำรวมผมต้องการให้พวกเราทุกคนเดินทางไปถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุดตามคำสั่งของผู้กองหนทางมันยิ่งกันดานเดินกันลำบากขึ้นทุกขณะแต่ผมเชื่อมั่นครับว่ามีอยู่ช่วงระยะเดียวเท่านั้นเมื่อผ่านพ้นป่าหินเหล่านี้ไปแล้วเราจะได้พบป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้าพืชและสัตว์ครับชยันมองหน้าแงซายอย่างพินิษ เป็นอาการเพ่งเอาใจใส่จริงจังเป็นครั้งแรกภายหลังจากรับการกระซิบบอกเล่าเบื้องหลังแท้จริงของเจ้าคนพนเจนจรจากมาเรียแล้วเขาก็เห็นสมจริงตามที่เพื่อนสาวต่างผิวแอบบอกไว้เบอร์ตาคู่นั้นมันเป็นแววของอารยาชนผู้ได้รับการศึกษาชั้นอุดมและผ่านโลกของวิทยาการที่เจริญมาแล้วม้รูปลักษณะภายนอกและทวงทีจะประกาศถึงความเป็นชาวดงก็ตาม คนเราอาจซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างไวภายใต้สิ่งห่อหุ้มเบื้องนอกได้แต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่สามารถจะหลบซ่อนได้คือดวงตาเพราะมันย่อมบอกถึงระดับดจิตใจพื้นเพภูมิหลังและทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตเอาไว้หมดสิ้นโดยเงื่อนงำอัมพรางกันไม่ได้เงีย า, ายจะใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่ในป่าหินอันแหงแรงที่สุดรอกะทะเลทรายนี้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 คือกระติกที่ระพินมอบให้กระดารินไปนอกนั้นเกลี้ยงฉากแม้แต่ของพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายและจํานวนสุดท้ายนั่นเองที่แบ่งกันกลั่มคอในระหว่างกลุ่มนายจ้างอยู่ในขณะ น, นี้อย่างประหยัดที่สุดเชื้าอ่อนเพลียลงอย่างเห็นชัดความจริงสังขารอันไม่ดสมประกอบของเขาได้รับการทรมานเป็นอย่างมากในการพยายามฝืนเดินในวันนี้หากแต่ฝืนอยู่ได้ด้วยกําลังใจอันทรหดอดทนของเจ้าของเท่านั้น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 อันแสดงว่าตาน้ำอยู่ข้างใต้เลยเหลียวสำรวจไปรอบๆตัวก็มองไม่เห็นต้นไม้ใบหญ้าจะงอกเงยขึ้นมาแม้แต่ต้นเดียวไม่มีแม้แต่พวกเฟิร์นหรือตะไคร่ตามก้อนหินมันช่างเป็นแผ่นดินที่ปราศจากสั ญ, ญลักษณ์ชีวิตเอาซะจริงๆพยายามหาให้ดีเถอะฉันคิดว่ามันคงจะเป็นแหล่งโอเอซิสซ่อนอยู่บ้างรอกที่ใดที่หนึ่งในความแห้งแล้งนี้มาเรียเอ่ยขึ้นยางไม่ยอมสิ้นหวัง เกือบห้าชั่วโมงเต็มๆแล้วนะที่เราเดินมาอย่างไม่พบต้นไม้แม้แต่ย้าสักต้นเดียวดารินพึมพำเอามือกอบฝุ่นปนทรายตรงหน้าขึ้นมารยลงอย่างปราศจากความหมายป่าหินบริเวณนี้ร้ายกาจกว่าแผบอารซินาะอาริโซนาซะอีกเห็นเห็นอยู่นี่ก็รู้แล้วว่ามันเป็นแดนวัตยูถ้าไม่งั้นเราก็ควรจะเห็นสัตว์อะไรบ้างนี่ไม่พบแม้แต่ชนิดเดียวขนาดสัตว์มันยังไม่อยากจะแพร่พนผ่านเข้ามา ถ้ารู้ล่วงหน้าเราก็จะได้เตรียมหาสเสบียงและน้ำสำรองมาให้พอแต่นี่มันสายซะและ้วถลําก็มาตั้งครึ่งค่อแล้วหล่อนก็ถอนใจเฮือมองหน้าแงสายพลางชี้หน้าพูดยิ้มยิ้มว่าเป็นยังไงเราพ่อมกคุเทศเอกนำทางมาดีนักนะสิงสาราสัตว์พูดผีปีศาจความอาถรรพ์ทั้งปวงก็ฟันฝ่ากันมาได้แล้วนี่จะมาสิ้นท่าลงพระอดน้ำตายได้ยังไง แต่ฉันดูถ้าเรานำมาวิตกกังวลอะไรเลยนิครึกครื้นสำราญบานใจเป็นพิเศษซะด้วยซ้ำตั้งแต่เช้ามาแล้วเห็นร้องเพลงเจ้วยแจ้วทีเดียวเมื่อวานนี่พรานใหญ่พาเข้าไปในโดงไม้กินคนมาวันนี้พ่อคนใช้พิเศษของฉันพาหลงก็มากลางทะเลหินหาสิ่งมีชีวิตอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวให้มันได้อย่างนี้สินะ้าพ่อคูเนยน้อยบ่นไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกบ่นไปทไม พี่ชายพูดอย่างหนักแน่นยิ้มให้กับทุกคนแสดงให้เห็นชัดว่ากำลังใจของเขายังมั่นคงดีอยู่เสมอพี่ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนี่นะผ่านอะไรต่ออะไรมาได้สารพัดเดยจะมาอับจนกับปัญหาเพียงแค่นี้เหรอสิบสองชีวิตของพวกเราที่ร่วมกันอยู่นี่ก็ล้วนชั้นปรีชาชานทั้งนั้นทุกความรู้ทุกสาขาของความชนานาญทีเดียวสินทาก็จริงๆประเดยให้ตาบุญคาของเรา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 แล้ววันนี้ท่าทางเทวดาก็ไม่อยากจะปัดสะวะซะด้วยสินะใหญ่พร้อมกับพูดแกงแหงหน้ามองดูทองฟ้าซึ่งโปร่งใสแรงกล้าไปด้วยแดดทำปากมุบมิบบนอะไรไปตามเรื่องขนาดพรานกระดุกเหล็กอย่างบุญคำก็ยังเห็นชัดว่าอ่อนเปรียบเพรียแรงเต็มทีพวกพรานอื่นๆก็อิดโรยไปตามตามกันเพียงแต่ไม่มีใครปริกปากบนคงมีแต่ส่างปากระคินเท่านั้น ที่ดูเหมือนจะไม่อาทรหรือสนใจกับอะไรทั้งสิ้นพอได้รับคำสั่งให้ปลดหาพหยุดพักก็ไปสุมหัวแบ่งกันชากันสูบที่ใต้เงาหินอีกก้อนหนึ่งห่างออกไปเล็กน้อยเจ้า ก, กระเลียงลมช้างกับเจ้าท่าตองสูของมาเรียดูจะถูกคอกันคบหารักใคร่กันเป็นพิเศษจันเสยและเกิดนั้นนั่งซึมตาลอยไม่ราเริงคึกะนองเหมือนเช่นเคยดูราวกับจะทอดอะไร ในชีวิตรบพินสังเกตไปยังอากับกิริยาต่างๆของคนของเขาแล้วแปรสายตาไปจับนิ่งอยู่ที่ไอสองเกลอชาวดอยคนหนึ่งร่างใหญ่โตราวกะยักษ์ปักหลันอีกคนหนึ่งผมบางเล็กนิดเดียวราวกะคนแคร์กำลังแลัดกันถุนกันชาคุยอะไรกันอยู่เบาๆเลือกไปอีกทีเห็นแง่ทรายกาลังมองเงียบๆอยู่ที่คนทั้งคู่ก่อนแล้วบัด น, นั้นเองความคิดชนิดหนึ่งก็ผ่านแวบขึ้นสมอง จอมพรานยกนิ้วขึ้นดีดเรียกเจ้าลูกป่าโดยเลือดเนื้อเชื้อไขทั้งสองเข้ามาในทันทีนั้นและอธิบายให้รับรู้ว่าทางคณะกำลังจ ะ, ะเผชิญวิกฤตการชนิดใดขยินลุกขึ้นยืนเงยหน้าขึ้นสายจมูกสูดดมลมไปรอบๆแล้วสั่นหัวไม่มีกลิ่นว่านสเสนจันไม่มีน้ำอยู่ใกล้เคียงแถวนี้ลนายอดีตนายบ้านลุมช้างพูดเฮาๆหน้าปาเฉย ขยินแง่สายพูดขึ้นข้ามีหน้าที่ในการนำทางเจ้ามีหน้าที่จะต้องใช้จมูกดมหาน้ําตกลงไหมขยินหันไปมองหน้าแง่สายเอาก็ทําไมจเจ้าถึงนําทางมาในที่ที่หาน้ํายากอย่างเงี้ยข้าต้องการตัดเส้นทางให้ยนระยะที่สุดไงแง่สายตอบข้าไม่กลัวว่าพวกเราจะอดน้า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 นใหญ่ถามโดยเร็วอ้าวก็วทำไมขยิ่งจะต้องบอกเมื่อไม่มีใครถามทำไมขยิ่งจะต้องพาเดินเข้าหาแหล่งน้ำเมื่อไอ้แง่ไซเป็นคนนำทางแล้วมันก็นำของมันมาทางนี้แะ่ะนายถอยคาเจรจาโตอตอบเหล่านั้นเมื่อได้รับการแปลถ่ายทอดไปสู่คณะนายจ้างทุกคนก็ยกมือขึ้นกุมขมับปวดหัวจี๊กขึ้นมาตามๆกันโอ๊ยตายตาย ให้มันได้อย่างนี้สิพี่น้องเอ้ยแม่ผู้กองไอ้ลูกน้องของคุณแต่ละคนนี่มันเด็ดแท้พาก็มารวรงกลุ่มกันได้ยังไงนะล้วนแต่ไอ้มาหายวนาทีครั้งนั้นครั้งแรกนึกว่าเป็นไอ้แง่สายไอ้องคุรีมาข ย, ยินก็หยอกเสมอไรโคตรมาเลยไอ้พวกนี้ชายยันร้องลั่นสั่นหัวอยู่ดึกๆ ด, ดารินนั้นโมโหจนหัวเราะส่นเชษฐาจุปักเบาๆมองหน้าข ย, ยินและแงส่สายสลับกันอยู่เช่นนั้น อย่างไม่รู้จะพูดอะไรถูกสางปลาเดินไปรื้อคนย่ามส่วนตัวของมันครู่เดียวก็เอาสิงอันมีลักษณะเหมือนรากไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งฝานเป็นแว่นเรียบร้อยแล้วนำมาส่งให้พรานใหญ่แจกจ่ายไปยังทุกคนในคณะคนละชิ้นคณะนายจ้างรับมาถืออย่างงง ง, ง, งไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วนี่อะไรกันอีกล่ะเจ้าสางปาเจ้าจแจกเครื่องรางของขลังอะไรล้มะดาริ น, น่าตื่น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 หันมามองดูหน้าเซ่อเซ่อของสางปลานี่ถามมันจิระพินถามสิว่าทําไมมันถึงเพิ่งจะเอามาให้พวกเราเดี๋ยวนี้ทำไมไม่รอพวกเราอดน้ําตายซะก่อนค่อยเอามาให้ผมถามมันแล้วล่ะครับมันบอกว่ามันไม่รู้ว่าพวกเราคนไหนหิวน้ามั่งเพราะมันเดินของมันมาตลอดระยะทางนี่มันไม่เคยหิวน้าเลยบุญคํานั้นทวดพลาดลุกขึ้นได้ก็ไล่เตะทั้งแงซทรายขา ย, ยินและเจ้าสางปลาเป็นพลาวัน พร้อมทั้งตะโกนด่าโคตรพ่อโคตรแม่ขมงโฉงเฉงลั่นไปหมดก็เตะได้แต่สางปาและขยินผู้ยืนเซอ้อซ่าอยู่โดยไม่รู้ตัวเท่านั้นแต่สําหรับงาาศาศาศาแง่ทรายนักเตะผิดพระเจ้ า, าเกรเลียงฉูงงามไหวทันอยู่แล้วสปริงตัวหลบวูบตาท่าบุญคําก็เลยไปอากาศล้มลงกล้นกระแทกโครมใหญ่ท่ามกลางเสียงหัวเราะสนันวันไหวขึ้นเป็นครั้งแรกของคณะนายจ้างผู้แสน จ, จะขบขันต่อเหตุการณ์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 ล้วนแล้วแต่มีดีกันหยุดกับตัวไปสารพัดอย่างอย่าเมื่อเข้าตาจนคับขันเข้าจริงๆย่อมจะหาทางแก้ไขให้รุ่ง่วงสัมฤทธิผลไปได้ทุกครั้งเพียงแต่ว่าพวกมันล้วนแล้วแต่อมพันนําซ่อนเลี่ยมคู่กันไว้ทั้งสิ้นหรือมิฉะนั้นก็เกิดขึ้นจากความเฉยชาเสื่อซ่าไม่พยายามจะรับรู้กับอะไรนอกเหนือไปจากหน้าที่ลูกหาบอย่างเดียวเท่านั้นกว่าจะคลายกันออกมาได้ก็ต้องใช้วิธีเข้นคอกันนั่นแหละ ถึงจะยอมขยายมาริอาฮอฟมันเองก็ด่าเจ้าสังปาคนของหล่อนซะหลายกระบุงโกยเรื่องที่มันเก็บซ่อนว่านการกระหายน้ําเงียบเฉยเอาไว้เพื่งจะงัดขึ้นมาแจกจ่ายเอาเดี๋ยวนี้ตอนที่ทุกคนกําลังจะแย่ไปตามๆกันจงนั่งหล่อนสมุดพร้อมกับเคกบาลภาพตองสู่คู่ชีพแล้วผลักหัวออกไปอย่างเฉีวเฉีวฉันรู้มันนานเลยนะวะเจ้าน่ะมีดีอะไรอยู่ในตัวหลายๆอย่าง เพียงแต่ไม่รู้แน่ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างเท่านั้นเจ้าควรจะบอกและอาว่านชนิดนี้ที่เจ้ามีอยู่มาแจกให้พวกเราเสียตั้งแต่แรกแล้วนี่ปล่อยพวกเราต้องอดได้หิวน้ําแทบตายกันมาตลอดครึ่งค่ำวันสางปาไม่โตอตอบอะไรนายสาวทําหน้าเซ่อเป็นศาสกระเบื้อดินอยู่ตามเดิมมองแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้กันทุกคนในหมู่พวกเจ้านายสําหรับดารินนั้น ครั้งแรกก็มองดูชิ้นว่านที่สางปลาแจกมาให้อย่างไม่เชื่อถือศรัทธาแต่เมื่อเห็นทุกคนเอาใส่ปากอมตามคำแนะนำของเจ้าของหล่อนก็ลององมบ้างทันทีที่สัมผัสลิ้นอันเต็มไปด้วยน้ำลายเหนียวหนืดในคอซึ่งแห้งแทบเป็นผงมันเต็มไปด้วยความขมและคืนจนแทบจะต้องรีบคายทิง้งแต่เมื่อแข็งใจอมต่อไปอีกครู่เดียวปฏิกิริยาของลิ้นที่สัมผัสอยู่ก็เริ่มเย็นชุ่มลง และแปรรถมาเป็นความหวานปลาเลมปลาเลมเหมือนชะเอมแล้วชั่วไม่นานหล่อนก็รู้ในทันทีว่ามันเต็มไปได้วยความสักสิกยิก่งความกระหายน้ำทุเลาลงทีละน้อยมีความชุ่มเย็นไปทั้งปากและลำคอราวกะอมน้ำแข็งก้อนไว้ต่อมน้ำลายอันแห้งผากเริ่มทำงานสะดวกขึ้นและออกสอตลอดเวลา น้ำซ้าความอ่อนเพลียอิดโอยก็ยังบรรเทาลงกลายเป็นความกระปรี้กระเปรา่าแช่มชื่นอย่างประหลาดจึงมา น, นึกรู้เอาเดี๋ยวนี้เองในข้อที่ว่าเหตุใดเจ้าสางปลามันถึงบอกว่ามันเดินหนักมาทั้งวันเดินไม่ได้แตะต้องน้ําดื่มเลยแล้วก็ไม่รู้สึกหิวน้ําสักนิดก็ทําไมมันถึงจะต้องหิวน้ําอย่างคนอื่นอื่นเล่าในเมื่อตัวมันเองมีเครื่องป้องกันและบรรเทาอยู่แล้วเช่นนี้ก็นหน้าอยุ่รอก ที่ตาพรานเท่าโมโหเป็นฟืนเป็นไฟไล่เตะเอาทั้งเจ้าสางปลาและขยินทันทีที่แกรู้ความจริงเป็นยังไงบ้างครับว่านกันหิวน้ำของสางปาลาพรานใหญ่ถามคณะนายจ้างของเขายิ้มยิ้มเชษฐาและชายันมีสีหน้าสดชื่นขึ้นพยักหน้าตอบมาว่าได้ผลผู้กองได้ผลอย่างน้อยก็ช่วยให้เราทุเลาอาการกระหายน้าอ่อนเพลียลงได้มากทีเดียว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 เพราะยังไม่แน่ว่าจะมีหรือเปล่ามาเรียนสนับสนุนมาดวเว็วอีกคนนึงถ้างั้นก็ตกลงอย่างว่าแล้วการรพินจัดการหาน้ำกันซะก่อนท่านหัวหน้าคณะตัดสินใจ่านใหญ่หันไปส่งภาษาบอกความกับขยินอยู่ครู่หนึ่งก็หันมาทางคณะนายจาัดเราทั้งหมดจะไม่เดินย้อนกลับไปให้เปลืองแรงเสียเวลาหรอกครับแต่ผมจะให้ขยินแงซ า, ายและขบุญคำสามคนเดินไปหาน้า ในระหว่างที่พวกเราทั้งหมดพักรอกันอยู่ที่นี่ขยินมันกะว่าอย่างช้าไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันจะกลบมาพร้อมกับ น, น้ําครับอืมฟังดูก็น่าจะสะดวกดีตามที่คุณบอกมานี่นะแต่มันจะเหมาะหรือผู้กองที่จะให้สามคนนั้แยกทางไปแม้ว่าเราจะรอคอยกันอยู่ที่นี่ก็ตามภายหลังจากนิ่งตึกตรองอยู่ครู่เชษฐาก็เอ่ยขึ้นเบาๆอย่างกลิ่นกลิ่ซึ่งทุกคนก็เข้าใจความหมายในคําพูดของเขาดีที่สุด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 เป็นคนที่ไม่มีอะไรจะต้องห่วงหรือคุณชายจะอนุญาตให้ผมไปแทนแง่ทรายให้แง่ทรายอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับถ้างั้นแล้วก็เลือกเอาแง่ทรายไปให้คุณอยู่กับพวกเราที่นี่ดีกว่าชายันรีบบอกโดยเร็วซึ่งก็เป็นความรู้สึกของคณะนายจ้างทุกคนที่ต้องการเช่นนั้นเชษฐายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูอีกสิบนาทีบ่ายสามโมงแล้วนะเนี่ยอดีต ท, ท่านทูตทหารบกพืมพำ แล้วพยักหน้าเรียกแง่ทรายเข้ามาใกลสออกคําสั่งเอาละแง่ทรายแกจงไปกับขยินและบุญคําตามคําสั่งของผู้กองครับแต่จําไว้นะฉันให้เวลาแกกับขยินเพื่อจะหาน้ําอย่างช้าที่สุดไม่เกินครึ่งชั่วโมงทั้งไปและกลับเมื่อถึงกําหนดเวลานี้ไม่ว่าจะหาน้ําได้หรือไม่ทั้งสมคนกลับมาถึงที่นี่ทันทีเข้าใจไหมจอมพเนจรก้มศีรษะลง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 จะได้ช่วยขนน้ำมาอีกแรงหนึ่งเจ้าตองสู่ปฏิบัติตามวงการของนายสาวผมทองโดยไม่ปริปากเกี่ยงงอนอะไรทั้งสิ้นมันว่าง่ายดีเหมือนกันเมใช้สางปาไปด้วยอีกคนนะไมสามคนนั่นก็แบกน้ำกันได้พอแล้วนี่ดารินเปรยแต่มาเรียหัวรอ้อหือใช้มันไปอีกคนนั่นแหละดีน้อยจะได้ช่วยให้เบาแรงขึ้นมันเอาเปรียบพวกเราทั้งหมดมาตลอดทางแล้วทุกคนก็หิวน้ำหมด ม, มันคนเดียวสบายไม่หิวน้มเลยยังแข็งแรงดีอยู่ด้วยฉันจะดัดสันดานมันต้องใช้มันไปขนน้ำมาถึงจะถูกความจริงน่ะควรจะให้มันไปแทนบุญคําซะด้วยซ้ำคนแก่ท่าทางแย่เต็มทีเหมือนกันว่าแล้วหล่อนก็ตะโกนส่งภาษาพม่า ก, กับบุญคําบอกให้แกอยู่กับคณะซะเพราะหล่อนสั่งให้สางปลาไปแล้วแต่ตาพรานท่าหัวร่อรามาไม่เป็นไรไนายแมมถึงไอ้สางปลาจะไปด้วย บุญคำก็จะไปเหมือนกันบุญคำยังมีแรงเดินมีแรงกระถือไบขยินด้วยถ้ามันหาน้า ม, มาให้ไม่ได้ก่อนผลักไปแงสายปลดคันธนูที่สะพายไหลออกส่งไม้เข้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เก็ดกะกละพินรับมาเล็บจ้องหน้าเฉยพอเจ้ากระเรียงโฉงามหมุนตัวกลับจะเดินแยกไปเขาก็เอาคันธนูเคาะกับบาดดังโป๊กแง่ายแยกเขี่ยวครางอู่หันกลับมามองหน้าอย่างไม่รู้เรื่อง พานใหญ่เอือ้อมือมากระชากกระบอกสอนที่แง่สายยังคล้องคอควายหลังอยู่ออกมาโดยแรงถือไว้ในมือคู่กับคันธนูไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแง่สายยิ้มแหงแหง่ไม่พูดอะไรเหมือนกันเดินผะาไปเงียบๆพร้อมกับขยินสางปาและบุญคําจอมพลานเดินถือคันธนูและกระบอกสรกลับเขามานั่งรวมกลุ่มกับคณะในจ้างของเขาในขณะที่อีกสี่คนพากันเดินย้อนทางเก่าลับหายไปในหมู่โขดขิน ดารินกนมามเรียมองแพรนใหญ่อยู่ตลอดเวลาแล้วด้วยความชงนพอเขาชุดตัวลงนั่งหนึ่งในสองก็ถามขึ้นเสียงต่ำๆว่าคุณโอคันธนูตีหัวแงทรายทำไมระพินสั่งสอนครับการลืมนั่นดีก็สถานเบาที่สุดแล้วความจริงนะผมควรจะถีบมันซะด้วยซ้ำเอ๊ะทำไมฉันไม่เห็นเข้าใจเลยคุณหญิงไม่เห็นแล้วครับเสียงเขาชักจะขุนขึ้นแต่แล้วก็ฝืนหัวรอคื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 ลูกธนูไปอี ก, อกทางเหมือนเมื่อคืนนี้อีกเตือนมันไว้หลายครั้งแล้วไม่จำสักทิ่ดารินกับมาเรียเพิ่งจะเข้าใจหัวเราะออกมาได้พร้อมกันถอนหายใจเบาๆก็แลวสมมติว่าอยู่ที่คุณหรืออยู่ที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นใครจะใช้ธนูนั้นได้โดยไม่มีแง่ใส่ถ้ามันเกิดจำเป็นขึ้นจริงๆน่ะไม่ใครก็ใครสักคนต้องพยายามใช้ธนูคันนี้จนได้และครับ ส่วนจะได้ผลแค่ไหนนะั่นมันเป็นอีกเรื่องนึ่งสำคัญที่สุดก็คือให้มันอยู่ครบถ้วนส่วนประกอบของมันพอจะใช้งานได้เท่านั้นแหละไม่ใช่แยกฝาแยกตัวออกไปเมื่อคืนดอกสอนติดมาที่ผมคันธนูไปอยู่ที่เจ้าแง่ทรายมาวันนี้มันจะดันออกกระบอกสอนไปแล้วคันธนูมาเปลี่ยนให้ผมและจําเพาะเจาะ จ, จงมาแลกกันอย่างนี้ ท, ทุกทีเวลาจะต้องแยกกันออกไปอย่าไปเชื่อว่าเกิจเดจากเหตบังเอิญหรือความสะเพร่าเลือนเล้อสิคุณมาเรียบอกมายิ้มยิ้ม หยิบคันธนูทีรพินวางไว้ใกล้ๆตัวขึ้นมาดูทิ้งประโยคข้างไว้อย่างนั้นเอ๊ะหมายความว่ายัางไงไงทายเขาอาจแกล้งลองใจทดสอบความรอบคอบหรือแกล้งยั่คุณเล่นตามประษาของเขาก็ได้ตอนที่ส่งคันธนูให้อย่างเดียวแต่ทันท่าจะแบกก็กระบอกสอนไปด้วยแต่ถึงยังไงคุณก็ยังรัดกลุมดีอยู่นี่ที่ไม่ยอมละหลวมให้เจ้าคนลูกไม้จักนั่นหลอกเอาได้ระพินไพรวันรีตาลง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 อันซ่อนเรนนี้อยู่เป็นเวลานานมันหมายถึงว่าคนเหล่านี้ย่อมจะไม่เข้าใจผิดและพิจารณาเขาในแง่ารายต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ดอกฟ้าดารินชัยยันมีอาการคันปากอยูุยิบๆอยากจะเอ่ยพโพร่งอะไรออกมาเกี่ยวกับแง่ทายตามความจริงที่เขาได้รับทราบมาจากมาเรียเพื่อเชษดฐานเลดารินทราบแต่แม่สาวเข้าใจอาการของเขาหลบช้สายตาปรามไว เรนยังไม่ต้องการให้ใชายันเปิดเผยกระโตกกระตากออกไปอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็เลยระงับความคิดนั้นไว้ซะได้แต่หัวเราะ <c oughs> พรานใหญ่ในขณะนี้นั่งชันเขา่าเอาหลังพิงก้อนหินมองเป็นมุมสูงขึ้นไปยังท้องฟ้ากว้างไม่ได้พูดอะไรเลยทั้งสิ้์ในระหว่างที่คณะนายจ้างกำลันงนั่งพักสุนทนากันเบาๆอาการดูผาดผาดเหมือนจะเข้าภวังพัก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 รู้สึกว่ามันจะเลิกสนใจกับเราใช่แล้วละมะั้งชยันพูดพร้อมกัะยักไหล่ก็ดีเหมือนกันไปไปสทีอย่ามามัวตามเราอยู่เลยให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นมงคลยังไงชอบกด น, นี่ทําไมเกรงใจใครต่อใครจะหาว่าฉันบ้าเต็เทมทีฉันจะอะไรฝฟนซอยอมันนานละไม่ปล่อยมันบินตามเป็นอัปมงคลอย่างงี้หรอกดารินเ อ, อ่ยด้วยหางเสียงกร่อยขอกล่องสองทางไกลจากพี่ชายมาส่องดูบ้าง มาเรียงเงยดูเงาที่แรงใหญ่ตัวนั้นที่ห่างไกลออกไปทุกทีแล้วเหลียวกลับไปมองหน้าพรานใหญ่มันบ่ายหน้าไปทางนั้นตั้งแต่เมื่อไรไพวันผมก็เพิ่งสังเกตเห็นเมื่ออึดใจใหญ่ๆนี่เองครับชื่อว่าคงจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนความสนใจจากเราเมื่อไม่นานนี่นักไม่งั้นก็ควรหายลับตาไปนานนล่นะคุณคิดเหมือนฉันไหมอะไรครับ มาเรียมไม่ตอบคำย้อนถามของเขาแต่กัดริมฝีปากเบาๆตามองจับนิ่งไปยัง้าหม้นั้นอย่างใช้ความคิดดารินและชยันมองหน้าคนทั้งสองอย่างต้องการคำอธิบายเพราะไว้ทันในทันทีว่าระหว่างพรานใหญ่รบพินกับนักโบราณชีวศาสตร์สาวน่าจะรู้ความในอะไรกันอยู่จากรหัสที่หินนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจสาหรับมันมากกว่าเราใช่ไหมและมันเพิ่งจะได้กลิ่น ดูอมองเห็นเมื่อไม่นานนี้เองระหว่างที่ติดตามเราอยู่แสกขึ้นในระหว่างความเงียบของพรานใหญ่และมาเรียคือเชษฐาผู้จัดเจนในธรรมชาติของป่าดงพงไพรามากกว่าน้องสาวและเพื่อนจะเป็นซากสัตว์ตายะะใช่หรืมะ้ชายันเพื่องไวทันหรืออาจเป็นสัตว์บาดเจ็บก็ได้นะมาเรียหางเสียงไม่เป็นสุขนัก รู้สึกว่าจะอยู่ในทิศทางด้านเดียวกับที่ขยินงจะบ่ายหน้าไปไม่ใช่เหรอดารินถามลอยๆอยครับใช่ด้านเดียวกันครับและมีสัตว์อะไรจะมาตายหรือมาบาดเจ็บอยู่ทางด้านนั้นในเมื่อตลอดระยะทางที่ผ่านมานะเราก็ไม่เห็นร่องรอยของสัตว์ใดๆทั้งสิ้นนี่ระพินไพรวันยกมือขึ้นจับสันจมูกขณะที่ก้มหน้าลงหลับตาเหมือนจะหลบแสงสว่างจากท้องฟ้าที่ทาให้ตาพร่า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 เชิดขากล่าวมาเสียงต่ำๆอย่างเห็นด้วยขณะนั้นเงาของพยาแรงที่ร่อนลมอยู่ลิบลิลับหายไปจากสายตาแล้วโดยการบังของเหลี่ยมภูเขาหินลูกหนึ่งทุกคนคอยเฝ้าจับตามองอยู่ว่ามันจะโผล่ให้เห็นอีกทางด้านใดแต่ก็ไม่ปรากฏอีกเลยระพินยังจมอยู่ในอาการใคร้ครวนเงียบขึ้มที่ไม่มีใครอ่านความรู้สึกออกดารินผู้จับกล้องอยู่ตลอดเวลาก็พึมพำออกมาว่า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 จึงลุกขึ้นเดินตรงเข้ามาที่เพื่อนสาวต่างผิวยกมือขึ้นวางบนไหลอย่างรักใคร่มีอะไรเหรอเมตาสีเขียวงามคู่นั้นหันมาพบพร้อมกับฝืนยิ้มให้นิดนึ่งพลางเหลียวกลับไปมองดูทิศทางตามรอยเท้าที่พวกนั้นเดินหายไปในหมู่หินอีกครั้งน้อยอืมอะไรเมก็สีคนที่ไปด้วยกันนั้นมาเรียกกล่าวแผ่วเบาแช่มช้าและมีอาการอึก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 เธอหมายความว่าใช่ภายหลังจากถูกเธอยิงตาแตกเปิดโปงไปแล้วมันก็บายหน้าเข้าหาแหล่งน้ำพวกเราสี่คนนั่นก็กำลังจะไปหาน้ำเหมือนกันแรงตัวนั้นบินอยู่เบื้องสูงมันเห็นก่อนเราดารินตกตะลึงไปครู่ใจเต้นแรงคุณพระช่วยก็ทำไมเธอไม่บอกพรานใหญ่ในความรู้สึกสังขรอนแบบนี้ล่ะแล้วหล่อนก็พูดออกมาเร็วปรือ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 ก็อบอกแล้วว่ามันโง่แล้วก็ช้ากว่าคนอื่นราชสกุลสาวคว้าแขนมาริยาพาเดินกลับมายังกลุ่มทันทีสีหน้าตื่นตระหนกของหล่อนทําให้เชิดากระชัยยันผงกกายชันขึ้นจากท่าที่นั่งพิงตามสบายเพราะก็จับมองอาการของทั้งสองหญิงอยู่ก่อนแล้วในระหว่างที่ทั้งคู่ไปยืนพูดกันอยู่อะไรหรือน้อยมีอะไรเหรอพี่ใหญ่คะเมย์เสงสัยว่าแรงตัวนั้นจะเห็นไอ้ยักษ์ไทแรน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 ไม่ใช่ว่าผมจะใจเย็นหรือมองข้ามสิ่งที่อาจเป็นไปได้นี้ซะหรอกนะครับเขาเอ่ยขึ้นขลึมๆเหมือนจะรู้ใจอยู่แล้วเราอยู่ไกลถึงนี่ยังสังเกตจากแรงตัวนั้นได้และทำใหเราแวงไปเช่นนั้นแต่พวกนั้นนามุ่งไปยังด้านนั้นโดยตรงจะต้องสังเกตเห็นอะไรชัดเจนดีกว่าเรามากนะครับถ้ า, ายักษอยู่ที่นั่นจริงเจ้าสี่คนนั่นจะเดินเซ้อซ่าเข้าไ ป, ไปในปากมันคนนึงอาจเผยอได้ได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 ก็ถ้ามันเป็นจริงทั้งสี่คนนั้นอับไม่มีโอกาสได้กลับมาพบเราอีกแล้วไปกันเพียงแค่สี่คนปืนสามกระบอกมิหนำซ้ำธนูแง้ายก็ยังทิ้งไว้กับขุดไม่มีทางที่จะหยุดมันได้เลยนะนอกจากกลายเป็นเหยื่อหมดน้องสาวของนายจ้างร้องออกมาอย่างขวัญไม่บีคุณหญิงครับโัวจะวิตกไปเลยครับในข้อนี้พานใหญ่บอกไปยังคณะนายจ้างของเขาซึ่งบัดนี้ตกอยู่ในอาการตื่นเต้น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 ว่าธนูที่จะฆ่ามันได้ขนาดนี้เน่ยอยู่ที่คุณถ้าแงซายเอามันติดโตไปด้วยฉันจะไม่ห่วงอะไรเลยแล้วทาไมคุณไม่คิดบ้างล่ะว่าสมมุติว่าเป็นมันจริงนี่ก็เป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่เราจะทําลายมันซะถ้าเพียงแต่คุณจะตามแงซายไปพร้อมกับธนูอันนั้นมารียพูดอย่างร้อนรนจำฟานลุกขึ้นอย่าง ช, ช้าเหมือนกับว่าความร้อนใจของทุกคนยามนี้ไม่สามารถจะกระตุ้นเขาให้ตื่นโลดขึ้นมาได้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 ฉันรู้แล้วบุญคําว่าแต่มันน่ะอยู่ที่ไหนพรานเท่าสมุนมือขวาของเขาทุดตัวลงนั่งแผละอย่างหมดเรียวแรงหายใจทางปากพร้อมกับรายงานเสียงถาดค่วงด้วยความเหน็ดเหนื่อยตกใจจนฟังแทบไม่รู้เรื่องนอนขวางเอาหัวสุกแอ่งน้มเล็กๆอยู่ในหุบหินไม่ไกลเี่เองนายไอ้ยักษ์ตัวนั้นน่ะเหรอเสียงชายันเกืบจะเป็นตะโกน โจนพูดเข้ามาเขย่าตัวบุญคำเชษฐาก็ลืมเรื่องขาพิการลงในบัตนั้นวิ่งขเขยเคี้ยวเข้ามามุง่งดารินใจหล่นลงไปอยู่ที่เทา้าส่วนมาเรียกำลังซักถามนล่ำและลักอยู่ที่ซ่างปลาและขยินผู้โวยวายลิ้นรัวเป็นข้าวตอกแตกใช่ในายทหารไอ้ยากตัวนั้นน่ะแหละบุญคำพูดอย่างยากเย็นยกมือขึ้นกุมอกขยินมันหาแหล่งน้ําจนพบแต่เราเข้าไปเอาไม่ได้แม้แต่หยดเดียวพลูกออกไป ก็เห็นมันนอนเอาหัวแช่น้ําอยู่แล้วเหมือนภูกเขาที่แรกนึกว่ามันตายแอบดูอยู่ประดีว๋วมันหายใจพรวดน้ํากระจายเลยห่อแนบกลับมานี่เห็นกันห่างไม่กี่วาเท่านั้นก้อนหินมันบังอยู่พวกผมโผล่ไปทางด้านบ้านท้ายมันแล้วมันเห็นพวกบุญคําหรือเปล่าละ่ะดารินถามเสียงสั่นพ ร, ระตาเท่าสั่นหัวยู่ไปมาบุญคําไม่ทราบนายหญิง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 กำลังรุมถามบุญคำสั่งปลาและขยินอยู่นั้นเงยสายผู้ยังไม่ได้บอกเล่าวความใดๆทั้งสิ้นเดินตรงไปที่ธนูและกระบอกสอนซึ่งกระพินตั้งอยู่กับพื้นหยิบขึ้นมาถือในมือส่วนกระบอกสอนสะพายคล้องไหล่อย่างรวดเร็วท่านใหญ่ก็ปราดเข้าไปในทันทีนั้นลักษณะของมันเป็นยังไงบ้างเงยสายผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรเลยนะนอกจากตาข้างซ้ายบอดเท่านั้น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 รู้ตำแหน่งศัรูคู่แทนอันเป็นมนุษย์ุ่มกระจจอยร้อยทั้งสิบสองชีวิตนี่แล้วอย่างน้อยที่สุดมันก็รู้ว่ากลิ่นไอ้นั้นชวยมาจากด้านใด